ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะความสะอาดบริสุทธิ์ของกายวาจาใจนำความสุขมาให้นั่นเองนำความเจริญมาให้พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติวันธรรมสวรรค วันพระไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนไว้ใช้เป็นวันที่มาชำระกายวาจาใจถ้าไม่ทรงบัญญัติไว้เราก็จะไม่มีเวลาหยุดจากภารกิจการงานหยุดจากการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณพะใจของเราก็จะไม่มีโอกาสได้รับการชำระไม่ได กายวาจาของเราก็จะไม่ได้รับการชำระเมื่อไม่มีการชำระกายวาจาใจให้สะอาดก็จะมีแต่ความวุ่นวายมีความว่าวุ่นขุ่น ม, มัวมีแต่ความทุกขความกังวลใจต่างๆนาน า, นานใจของเราก็เป็นเหมือนกับร่างกายที่ต้องมีการชำระอยู่เรื่อยๆวันไหนถ้าเราไม่อาบน้ำเราจะรู้สึกว่า ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยรู้สึกสบายใจถ้าได้อาบน้ำแล้วก็จะรู้สึกเย็นรู้สึกสบายเสื้อผ้าก็เช่นเดียวกันถ้าเสื้อผ้าไม่ได้รับการซักการรีดให้ดูสะอาดดูสวยงามเราก็ไม่กล้าใส่เสื้อผ้าที่เหมือนเปื้อนที่ส่งกลิ่นเหม็นอัในใดใจของเรา ในแต่ละวันนี้ใจของเราก็ต้องไปคลุกเคล้ากับสิ่งที่เรียกว่าสิ่งสกรปรกต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ภายนอกสิ่งสิ่งสกรปรวกของใจนี่อยู่ภายในแต่เวลาเราไปทำภารกิจต่างๆเรามักจะต้องไปคลุกเคล้ากับสิ่งสกรปรวกภายในใจของเรา นั่นก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเมื่อสิ่งเหล่านี้เริ่มพอกพูนขึ้นมาในใจมากน้อยเพียงไรความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะมีมากขึ้นไปตามตามนั้นเราจึงต้องคอยมาชำระอยู่เรื่อยๆเ <P os itive> พราะเราได้ชำระกายวาจาใจาแล้ว ก็จะมีความรู้สึกสดชื่นเนบิกบานมีกำลังจิตกำลังใจที่จะไ ป, ปะเผชิญต่อภารกิจต่อปัญหาต่างๆของชีวิตต่อไปออเป็นอย่างนี้เรื่องของการชำระกายวาจาใจจึงเป็นกิจที่พุทธศาสนิกชนพึงกระทำอยู่อย่างสม่ำเสมอ ถ้าปรารถนาะความร่มเย็นเป็นสุขถ้าปรารถนาะความเจริญเราต้องหมั่นมาชำระกันการชำระกายวาจาเราก็ใช้ศีลเป็นเครื่องซักฟอกศีลห้าศีล8ปดศีลห้าก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดโปรเณีไม่พูดปดมดเทศไม่เสพสุรายาเมา นี่เป็นการชำระกายและวาจาถ้าเรามีศีลกายวาจาของเราจะสะอาดจะเป็นที่ชื่นชมยินดีนับหน้าถือตาต่อผู้อื่นแล้วเราก็จะมีความสบายอกสบายใจเพราะเราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ส่วนการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ต้องอาศัยการฝังเทศฝังธรรมในเบื้องต้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําเอาไปบาเพ็ญเอาไปปฏิบัติต่อเอาไปชำระด้วยการปฏิบัติเพราะการการได้ยินได้ฟังเพียงอย่างเดียวยังไม่พอเพียงต่อการชำระ การได้ยินได้ฟังนั้นเป็นการนะศึกษาวิธีการที่จะที่จะชำระใจของเราให้สะอาดเมื่อเรารู้วิธีการแล้วเราก็นำเอาไปใช้ต่อไปการฟังเทศฟังธรรมนี้จะทำให้เราเกิดปัญญาหรือเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องความเห็นชอบเพราะ ความเห็นนี้เป็นตัวสำคัญต่อการกระทำของถูกความคิดของเราก็จะคิดถูกการกระทำก็จะทำถูกการพูดก็จะพูดถูกถ้าเรามีความเห็นผิดความคิดก็จะคิดผิดการกระทำก็จะกระทำผิดการพูดก็จะพูดผิดอย่างนั้นเราจึงต้องศึกษาให้รู้ว่า ความเห็นที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรเช่นมีความเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกที่เป็นผลจากการทำบาปก็มีจริงสวรรค์ที่เกิดจากการทำบุญก็มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงนี่คือ ความเห็นที่ถูกต้องถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้มันก็จะพาให้เราคิดไปในทางที่ถูกถ้าเรารู้ว่าบาปมีจริงผลของบาปคือนรกมีจริงเราก็จะหลีกเลี่ยงจากการกระทำบาปเช่นเรามาถือศีลกันในวันนี้เพราะเราเชื่อหรือเราเห็นว่าบาปมีจริงนรกมีจริงนั่นเองเรามาทำบุญ เพราะเราเชื่อว่าสวรรค์มีจริงบุญมีจริงและเราก็อยากที่จะตัดพบตัดชาติของเราให้น้อยลงไปเพราะเราเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้ถึงแม้จะเกิดในภพที่ดีก็ตามมันก็ยังมีความทุกข์ตามมาเหมือนกันเกิดมาเป็นเศรษฐีก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย นับภาษาอะไรกับถ้าต้องมาเกิดในที่ไม่ดีไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไปเกิดเกิดมาเป็นคนยากจนพี่คนพี่การไร้สติปัญญาอย่างนี้มันเป็นผลจากบุญจากกรรมที่เราได้เคยทำมาในอดีตเมื่อเราทำแล้วเราก็ไปหักข้ามผลไม่ให้ปรากฏขึ้นมาไม่ได้ เราจะเชื่อหรือไม่ก็ตามไม่สำคัญเหมือนกับเราจะเชื่อว่าฝนจะตกหรือไม่ก็ตามถึงถึงเวลาฝนมันจะตกมันก็จะตกอยู่ดีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือความไม่เชื่อของเราฉันใดนรกสวรรค์การเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่หรือการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากเหตุคือการกระทำของเราเหตุอันแรกก็คือสัมมาทิฏฐินี่เองถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็เป็นเหมือนกับคนเดินทางที่มีแผนที่หรือมีคนนำทางเราต้องการไปจุดน้ยปลายทางเราก็จะมีคนพาไปหรือมีแผนที่ชี้บอกทางไป ถ้าเราเดินตามแผนที่เดินตามคนที่นำพาไปไม่ช้าก็เร็วเราก็จะเดินทางถึงจุดหมายปลายทางที่เราทุกคนปรารถนากันนั่นคือการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเพราะเมื่อเราไม่เกิดแล้วเราก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตาย แต่การไม่ได้เกิดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะสูญหายไปเราที่พูดถึงนี้ก็คือใจของเราใจของเราเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายมีอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าจะไปอยู่กับอะไรถ้าไปอยู่ร่างกายของมนุษย์ก็หลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราของเราถ้าไปอยู่ร่างกายของเดรัจฉานก็ไปหลงคิดว่า เป็นตัวเราของเราเช่นเดียวกันถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่มีปัญหากับเรื่องของร่างกายถ้ามีร่างกายเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายความหลงก็จะทำให้ใจคิดว่ากายใจนี้แก่ไปด้วยเจ็บไปด้วยตายไปด้วยแต่ถ้าได้ศึกษาได้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่ากายกับใจเป็นคนเราส่วนกัน กายนี้มาจากดินน้ำลมไฟใจเป็นธาตรู้ใจนี้เป็นผู้รู้เรื่องของร่างกายแต่ใจไม่ได้เป็นตามร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรใจไม่ได้เป็นไปด้วยถ้าใจรู้อย่างนี้ใจก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่หวาดกลัวเพราะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นกับใจเกิดกับร่างกายเท่านั้น เหมือนกับร่างกายของคนอื่นใจเรารู้ว่าร่างกายของคนอื่นนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเวลาเขาเป็นอะไรไปใจเรารู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดรอ้อนถ้าเรามาทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าร่างกายที่เราครอบครองอยู่นี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเหมือนกันเหมือนกับร่างกายของคนอื่นถึงเวลาเขาก็ต้องแก่เขาก็ต้องเจ็บ เขาก็ต้องตายไปเหมือนกันถ้าใจฉลาดรู้ทันใจก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เดือดร้อนไม่วิตกไม่กมังวลไม่หวาดกลัวกับการเกิดขึ้นของร่างกายนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการมีสัมมาธิฏฐิมีความเห็นชอบเมื่อ <Yeah. S 2> เรามีความเห็นชอบแล้วเราก็จะไม่หลงยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ กับคนนั้นคนนี้ราะเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตามีการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการดับไปเรียกว่าอนิจจังถ้าไปหลงไปยธ์ไปติดอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นดังที่ปรารถนาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา เพ่นพอมีร่างกายแล้วก็อยากจะให้ร่างกายเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดให้มีรูปร่างหน้าตาสวยงามไปตลอดไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ตายพอมีความปรารถนาอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วพอมันไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาจนกินไม่ได้นอะนไม่หลับ แต่ถ้ารู้ทันว่าร่างกายเขาเป็นอย่างนี้ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งเวลาที่เราซื้อรถมาใหม่ๆมันก็อยู่ในสภาพที่ดีวิ่งได้เร็วไม่เสียไม่ชำรุดแต่พอใช้ไปต่อไปไม่นานมันก็จะเริ่มชำรุดขึ้นมาเดี๋ยวยางแตกบ้างเดี๋ยวเครื่องเสียบ้าง เราก็ต้องเอาเข้าลงซ่อมถ้ายัางซ่อมได้เราก็ซ่อมมันไปแต่เราก็ยอมรับความจริงว่าจะให้เป็นเหมือนรถที่ซื้อมาใหม่ๆไม่ได้ก็ซ่อมมันไปจนกว่ามันซ่อมไม่ได้เมื่อซ่อมไม่ได้แล้วก็ต้องโยนทิ้งไปก็ซื้อรถคันใหม่ต่อร่างกายเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ใจก็เป็นเหมือนเจ้าของรถยนต์นีเอง นั้นเจ้าของรถยนต์หรือเจ้าของร่างกายนี้ต้องฉลาดอย่าไปโง่อย่าไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราต้องคิดเสมอว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดมันก็จะต้องตายไปถ้าเราคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วใจเราจะไม่หวั่นไหวจะไม่เดือดร้อน ที่เราหวั่นไหวที่เราเดือดร้อนกันเพราะเราไม่สอนใจนั่นเองใจก็เลยเกิดความหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราร่างกายนี้จะต้องอยู่กับเราไปนานๆอยู่กับเราไปตลอดร่างกายนี้จะไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยพอคิดอย่างนี้แล้วก็จะวุ่นวายใจเพราะมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดนั่นเองเพราะเรามี ความเห็นผิดที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็เห็นว่าร่างกายนี้เที่ยงร่างกายนี้เป็นสุขร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะสวนกับความจริงเพราะร่างกายนี้ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาลองย้อนกลับไปดูวันที่เราคลอดออกมาจากท้องแม่ดูว่า วันนั้นกับวันนี้เราเหมือนกันไหมเราเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าร่างกายอันเดียวกันหรือเปล่าแต่ทําไมมันถึงเหมือนกับคนละร่างกายกันเลยเพราะมันเปลี่ยนไปนั่นเองเหมือนกับต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในดินตอนต้นมันก็งอกขึ้นมาเป็นต้นเล็กๆต้นหนึ่งแล้วต่อไปมันก็ค่อยจเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่โต ผิดกับตอนที่มันเผลขึ้นออกมาจากดินข้า้งแรกแล้วมันก็อยู่ไปเรื่อยๆจนสักวันหนึ่งมันก็จะต้องตายไปทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นมีอย่างเดียวที่ไม่เป็นอย่างนี้ก็คือใจของเรานี้เองใจของเรานี้ไม่เกิดไม่ตายไม่แก่ไม่ไม่โตไม่หนุ่มไม่สาวไม่เปลี่ยนแปลง ใจนี้เป็นาธาตุรู้มีหน้าที่รู้อย่างเดียวแล้วก็มีหน้าที่คิดคิดนั่นคิดนี่แล้วก็จำเรื่องนั้นจำเรื่องนี้แล้วก็มีความรู้สึกเวลาเวลาสัมผัสเรือรับรู้เรื่องอะไรที่ถูกอกถูกใจก็มีความสุขใจ เวลาสัมผัสรับรู้กับเรื่องที่ไม่ถูกปกถูกใจก็มีความกังวลกวัยมีความทุกข์ใจแต่ความรู้สึกของใจนี้เราสามารถบังคับหรือจัดการกับมันได้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกในใจของเราให้มีแต่ความสุขอย่างเดียวได้ถ้าเรารู้ความจริงของสิ่งต่างๆ ที่ใจเราไปสัมผัสรับรู้นั่นเองถ้าเราไปสัมผัสรับรู้ถ้าเรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่ใจเราสัมผัสรับรู้นี้ไม่เกี่ยวกับเราเลยเขาจะเป็นอะไรอย่างไรมันไม่เกี่ยวกับเราเขาจะดีเขาจะชั่วมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเราไม่เอามาใส่ใจแล้วเราจะไม่มีอารมณ์ที่วุ่นวายเลยเช่นเราเห็นขนนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ แล้วก็เห็นไว้เฉยๆก็พอรู้ไหวเฉยๆว่าเขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อยากไปไม่พอใจพอไม่พอใจแล้วมันก็จะเดือดร้อนใจขึ้นมาถ้าไปชอบใจมันก็ดีใจแต่พอเขาเปลี่ยนไปก็จะเสียใจพอเขาทำอย่างนี้เราก็ดีใจว่าโอ้เขาทำดีถูกอกถูกใจเราเราก็ดีใจพอต่อมาเขาเปลี่ยนไปอีกเขาทำอีกอย่างหนึ่ง เราก็ไม่พอใจเราก็เสียใจเราก็ร้องหผงร้องห้าขึ้นมานี่เป็นความไม่ฉลาดของใจไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีความเห็นชอบนั้นเองถ้ามีความเห็นชอบแล้วจะต้องรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจรับรู้นั้นเป็นเรื่องของเขาเราอย่าไปเอามาเป็นเรื่องของเราคนจะดีคนจะชั่วมันก็เรื่องของเขา เขาจะทำร้ายเรา aches, หรือไม่ทำร้ายเรามันก็เรื่องของเขาถ้าเขาจะทำร้ายเราก็าทำได้แต่เพียงแต่ร่างกายของเราเท่านั้นเองเขาทำใจเราไม่ได้เขาจะทำใจให้เราทุกข์วุ่นวายไม่ได้ถ้าใจเราฉลาดถ้าใจเรารู้ทันอยากจะทำร้ายร่างกายก็ทำไปไม่ทำสักวันหนึ่งร่างกายมันก็ต้องทำร้ายตัวมันเองมันก็ต้องตายไปเองไม่ได้ตายเพราะคนอื่นมันอยู่เฉยๆมันก็ต้องตายเอง เมื่อมันหยุดมันหยุดหายใจเมื่อไหร่มันก็ตายมานั้นและไม่มีใครไปห้ามมันได้ถ้าใจเรารู้ทันเรื่องราวเหล่านี้แล้วเราจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องอะไรทั้งนั้นเพราะมันไม่มีมันไม่เกี่ยวข้องกับใจเราเลยความหลงของเราของใจนี้เท่านั้นแหละที่ไปเอามาผูกเอามาเกี่ยวว่าเป็นเรื่องของเราไปหมดเห็นใครทําอะไรไม่ชอบใจก็ต้องไปจัดการกับเขาแล้ว ต้องไปแก้เขาแล้วต้องไปบอกต้องไปว่าเขาแล้วเห็นอะไรอยากได้อะไรก็เอามาแล้วเอามาแล้วก็ต้องมาดูแลรักษามากังวลมาหวงมาห่วงแทนที่จะมีความสุขจากสิ่งที่ได้มากลับต้องมาทุกข์กับสิ่งที่ได้มาถ้ามีปัญญาแล้วมีสัมมาทิฏฐิแล้ว จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเข้าของเงินทองหรือเป็นบุคคลต่างๆเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นทิดานี้พอได้มาแล้วจะได้ความทุกข์ตามมาด้วยได้สามีก็ต้องทุกข์กับสามีได้ภรรยาก็ต้องทุกข์กับภรรยาได้ลูกได้บุตรได้ทิดาก็ต้องทุกข์กับบุตรกับธิดา เพราะธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นทุกขัง อ, งอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างนี้ถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรแล้วจะต้องทุกข์กับเรื่องนั้น ท, ทันทีถ้าต้องยุ่งเกี่ยวแต่รู้ทันยุ่งเกี่ยวเฉพาะเพียงแต่รับรู้ไม่เอามาถือว่าเป็นเรื่องของเราก็จะไม่ทุกข์เขาเปิดเขาดีชั่วยอย่างไรเราก็รับรู้ เรามีหน้าที่สั่งสอนเขาได้เราก็สั่งสอนเขาไปเรามีหน้าที่ป้องกันเขาไม่ให้ทำร้ายเราได้เราก็ทำไปแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้เราก็อย่าไปเดือดร้อนเราอย่าไปยึดติดกับร่างกายของเราอ <im Vai> ย่าไปยึดติดกับชีวิตของเรา <im S 1> อย่าไปยึดติดกับสมบัติเข้าของเงินทองของเราเพราะยังไรมันก็ต้องจากเราไปอยู่ดี อย่างไรเราก็ต้องจากมันไปอยู่ดีสักวันหนึ่งไม่มีอะไรที่จะอยู่กับใจไปตลอดนี่คือความเห็นชอบสัมมาธิฏฐิเป็นอย่างนี้คือต้องเห็นว่าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นคนละส่วนกันใจนี้เป็นเพียงแต่ผู้รู้เท่านั้นเองใจไม่ได้ไม่เสียกับสิ่งต่างๆที่ใจได้มาครอบครองเพราะได้อะไรมามากเท่าไหร่ สักวันหนึ่งก็ต้องเสียไปหมดเช่นเวลาตายไปแล้วใจออกจากร่างกายนี้ไปแล้วไม่ได้เอาอะไรไปเลยมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้น้นก็เอาไปไม่ได้มีลูกมีเมียมีสามีมีภรรยามีอะไรต่างๆมากน้อยเทียงไรก็เอาไปไม่ได้เอาไปได้เพียงสองอย่างก็คือสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นเอง คือความเห็นที่ถูกต้องหรือความเห็นที่ไม่ถูกต้องถ้าเอาความเห็นที่ไม่ถูกต้องไปมันก็จะพาให้ไปเกิดใหม่ไปสร้างความทุกข์ขึ้นมาใหม่ถ้าเอาความเห็นที่ถูกต้องไปมันก็จะพาให้ไปสู่พระนิพพานจะพาให้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปดังที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาบกทั้งหลายได้ทำกัน พอท่านตายไปแล้วใจของท่านก็มีแต่สัมมาทิฏฐิท่านก็บอกว่าไม่กลับมาเกิดแล้วกลับมาเกิด <_ famous> ก็ต้องมาทุกข์มาแก่มาเจ็บมาตายท่านไม่เกิดแล้วท่านตัดได้แล้วเรื่องของความเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเพราะท่านมีสัมมาทิฏฐิท่านเห็นว่าทุกสิ่งทุกอยา่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองส่วนพวกเรานี้ยังไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ยังอยากมีอยากเป็นยังอยากได้สิ่งนั้นยังอยากได้สิ่งนี้เพราะคิดว่าเมื่อมีแล้วเมื่อเป็นแล้วจะมีความสุขเมื่อได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้แล้วจะมีความสุขเมื่อได้คนนั้นได้คนนี้แล้วจะมีความสุขแต่ไม่เคยคิดเลยว่ามันมีความทุกข์แถนมาด้วยและมีเพและมันรุนแรงกว่าความสุขที่ได้รับกันเรามองไม่เห็นกัน จะมาเห็นก็ตอนที่มันทุกข์แล้วพอมาอยู่ด้วยกันไม่นานทะเลาะกันแล้วหรือว่านอกใจกันแล้วหรือเบื่อกันแล้วตอนนั้นก็จะเริ่มเห็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วมาเบื่อกันแล้วแต่ยังไม่แยกยังไม่ยอมแยกทางกันก็จะอยู่กันแบบทุกข์กันไปจนวันตายนี่แหละคือความทุกข์ที่เรามักจะไม่คิดกันเห็นอะไรมักจะเห็นส่วนที่เป็นความสุข ไม่คิดถึงส่วนที่เป็นความทุกข์กันนั้นปัญยาทุกครั้งเวลาใจเราเห็นอะไรเราอยากได้อะไรถามตัวเราเองว่ามันมีความทุกข์ไหมลองถามตัวเองเช่นถามว่ามันเทียมไหมมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่าเวลาที่มันไม่อยู่กับเราเราจะทำใจได้หรือเปล่าต้องถามตัวเราเองอย่างนี้ถ้าเราถามแล้วเราก็จะได้ไม่อยากได้อยู่คนเดียวนแสนจะสบาย แต่ไม่รู้สึกตัวอย่างที่เขาพูดว่าหาเหามาใส่หัวทำไมหัวเราสะอาดอยู่แล้วไปหาเหามาใส่ศีรษะเราทำไมนะเราไปเอาความทุกข์มาใส่ใจของเราทำไมนะเอามาแบกทำไมนะเพราะเรามีความหลงนั่นเองมีความเห็นผิดเป็นชอบมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องเราจึงต้องมาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พ่อคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคำนี้ออกมาจากความเห็นที่ถูกต้องทั้งนั้นเป็นความจริงทั้งนั้นไม่มีความโกหกมีของปลอมอยู่ในคําพูดของพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่คําเดียวพวกเราจึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้อย่างตายยดได้อย่างตายใจเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่า เรายังทำไม่ได้เท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะกิเลสของเรามันเก่งกว่าเรานั่นเองกิเลสของเรามันยังเป็นแชมอยู่ในหัวใจของเราอยู่ทุกครั้งที่เราขึ้นไปท้าชิงตำแหน่งเราก็ถูกมันน็อกทุกทีเวลามันโลภเราก็หยุดมันไม่ได้เวลามันโกรธเราก็หยุดมันไม่ได้เวลามันอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ห้ามมันไม่ได้เราต้องพยายาม ต่อสู้กับมันถ้าเราสู้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะชนะมันได้ตอนต้นก็ต้องแพ้มันก่อนแต่ขอให้แพ้แบบนักสู้อย่าแพ้แบบนักถอยนักถอยหลังต้องสู้ให้มันน็อกเราไปแล้วเราจะเก่งเพราะว่าเราจะมีประสบการณ์เราจะรู้ว่ามันต่อยเราอย่างไรคราวต่อไปเราจะได้ไปฝึกวิธีคอยป้องกันหมัดของมันไว้ แร้สักวันหนึ่งเราจะต้องชนะมันได้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าชนะมันมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ชนะกิเลสในครั้งแรกท่านก็แพ้มันเหมือนกันเพียงแต่ว่าท่านสู้ไม่ถอยท่านสู้จนกระทั่งชนะมันในที่สุดต่อให้มันชนะเรากี่ล้านครั้งก็ตามเถอะพอเราชนะมันครั้งเดียวแล้วคุ้มค่าเพราะเมื่อเราชนะมนแล้วมันจะไม่สามารถชนะเราได้อีกต่อไป นี่คือการชนะของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ชนะผู้อื่นพระพุทธเจ้าชนะกิเลสของตนของพระ อ, องค์เองดังที่ทรงตรัสไว้ว่าการชนะผู้อื่นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านครั้งก็สู้ชนะใจของตนไม่ได้ชนะกิเลสที่มีอยู่ในใจของตนไม่ได้เพราะถ้าไปชนะผู้อื่นก็จะไปสร้างความเครียดแค้นให้แก่ผู้อื่นถ้าเราไปแพ้ ถ้าผู้อื่นมาชนะเราเขาก็จะสร้างความเครียดแค้นให้กับเราแต่ถ้าเราชนะกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของเราได้เราจะได้รับความสงบเราจะได้รับความสุข ด, ดังนั้นขอให้เราคิดถึงการต่อสู้ภายในขอให้เราชนะใจเราชนะความโลภความโกรธความหลงอย่าไปต่อสู้กับผู้อื่นผู้อื่นเขาจะดีเขาจะช่วยอย่างไร เขาจะมาท้าทายเราอย่างไรขอให้เรายอมแพ้เขาขอให้แพ้เป็นพระชนะเป็นมารเพราะการต่อสู้กับผู้อื่นนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่การสร้างเวท ส, สร้างกรรมอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นนะอย่าไปต่อสู้กันใครก็มาทาท้าทายเราก็ถอยเสียยกมือไหว้แล้วก็ถอยไปขอเป็นพระไม่ขอเป็นมารนะแล้วเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ไม่มีเวรไม่มีกรรมกับใครทั้งสิ้นจึงขอฝากเรื่องของการมาชำระกายวาจาใจเรื่องของการมาสร้างความเห็นที่ถูกต้องด้วยการฟังเทศฟังธรรมนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป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 ทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้าการเธอ